อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ268 1. ิภิกษุชายน้ำและไม้ชาระฟันสองภิกษุหยิบยามหาวิกัด 4. ชั้นเองเมื่อมีเหตุผลที่สมควรในเมื่อไม่มีกัปเปี้ยกาโรคถวาย 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุต้นบัญญัติท่านตะโปนสิกขาบทที่สิบจบโภชนวัตรที่4จบ